ท่านขึ้นเขาก็ต้องหามแคลรขึ้นไปหามขึ้นหามลงขึ้นไปหาท่านนะโอ้เหนื่อยไปขึ้นไปถึงนะท่านตอนนั้นช่วงหลังๆแล้วที่ปากทำํำทำผาปลองเขาทาประตูเหล็กเหมือนประตูตึกแถวว่ายืดๆก็ปิดไว้ถามพระว่าหลวงปู่ไม่อยู่หรออยู่อยู่ในกรดนะกรดนั่นก็มองเห็นนะ จากปากถ้าก็เห็นนะอยู่ในกรดเนะี่ยดูองไรก็ไม่เห็นนะ mm hmm. ก็นั่งรอไปพรารอจะคนกลุ่มใหญ่ตามขึ้นมาหลวงปู่ออกมาจากกลดนะถือกุญแจ <laughs> มาไขเห็นว่าขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยให้นั่งพักก่อนอทีมหลังขึ้นมายัางหอบแครกอยู่นะถ้าไม่รอแล้ว <laughs>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 ตัวท่านก็เด็นลงไปจมโคลนโคลนแถวนั้นเชื้อโรคแรงท่านติดเชื้อแล้วเป็นอัมาพาตนะเป็นอมัมพาตต้องนั่งแต่เก้าอีย้ยิ่งช่วงท้ายๆนะกระทั่งกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยเวลาเขาเข็นท่านออกมาเราเห็นท่านโอ้ยท่านผ่องใสจยยังเลยดูท่านมีความสุขอย่างเลยเราทำไมไม่ได้ความสุขอย่างท่านนาะคิดอยนี้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 ท่านมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขมากเล่าสมัยท่านออกทุดงลำบากยากเข็อยังไงกันต้องสู้เอานี่ดูจากครูบาอาจารย์แต่ลนะองค์แต่ละองค์นะแกเท่าไงก็ดูมีความสุขหลวงพู่เทศอนะไรนึงดูมีความสุขหลวงตาก็มีความสุขนะสุขแบบหลวงตาชงชางชงชางก็ยังสุขอย่างนั้นนะก็มีความสุขมาก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 แยกธาตุแยกขันไปเรื่อยนะมันแยกนะอย่างวัตถุธาตุเนี่ยแยกแยกแยกไปสุดท้ายกลายเป็นคลื่นเท่านั้นเลยมันทำถูกน้ำแยกถูกนะอย่างเราพอนาแยกธาตุไปเรื่อยนะสุดท้ายกลายเป็นแสงเป็นคลื่นไปนะเป็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วเข้ามาที่จิตก็ดูไปมันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งท่านก็บอกไอสไตล์เขาเก่ง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 พวกปลาอุปัถาห์ผีใหญ่เป็นไงครับอ๋อพระนาคาเนี <N> ่ยพระนาคาแล้วนะฟงทัานอ๋อผีใหญ่ก็พวกปลอมพวกปลมลพระานาจนกระทั่งเข้ามาถึงจิตนัปล่อยกายไปแล้วนะหรกส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้องไปไม่รอดลนะเขาไม่รู้จากพิธีดูจิตต่อนะท่านท่านเหนื่อยมามากต่อสู้ตรัตธรร ม, มามากในการค้นคว้าพิจารณกายมามาก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 อย่าเอาแต่ตัวจิตผู้รู้ไว้นะสอนถ้าฟังเป็นนะฟังเป็ น, นรู้ครูบาอาจารย์แต่และองค์น่ะลวดลายไม่เหมือนกันหรอกบางองค์เราปติดอะไรอยู่นะด่าเอาเฉยๆเลยบางองค์ไม่ว่าตรงๆเปรียบเปเยบางองค์เฉยๆเฉยไม่พูดเลยไม่พูดเลยสอนด้วยการไม่พูดเรียนยากที่สุดเลย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 มากันเยอะเลยมานั่งรอเราจะทนไม่ไหวนะไม่พูดสักทีนะออกไปซะเยอะเลยะแลก็ให้พูดอะไรท่าบอกไม่มีธุระไม่มีธุระแล้วไม่พูดเห็นไหมของเราไม่มีธุระเราพูดไหมศีลดังพลอย่ไม่พูดหรอกไม่มีธุระดูแก่เท่ายัางไงก็มีความสุขมากนะะจิตของท่านฝึกมาดี โดยเฉพาะท่านที่ท่านฝึกมาจนถึงปล่อยวางจิตได้ขั้นปล่อยวางจิตได้ก็มีอยู่แต่ว่าน้อยเต็มาทีแต่ไหนแต่ไรก็มีไม่มากหรอ ก, กถ้าฝึกทำไมปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะต้องปล่อยนี่หนึ่งนะไม่รู้ว่าต้องปล่อยข้อสองไม่รู้วิธีปล่อยไม่รู้ว่าต้องปล่อยก็คือภาวนามาจนมาถึงจิตแนละ้วรู้สึกจิตนิเที่ยง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 การทำลายก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ทำวิปัสสนากรรมฐานนี่เองไม่ต้องไปหาทางทำลายมันหรอกเรียนให้เห็นความจริงแลจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นันเลเห็นตัวทุกข์เมื่อไหร่มันก็ทิ้งของมันเองนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทมหรอกไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นแจ้งอริยสัจแจ้งอริยสัจได้ก็เพราะเห็นทุกข์นั่นแหละรู้ทุกข์ก็แจ้งอริยสัจข้อหนึ่งของอริยสัจก็คือทุกขสั์